แดงเหมือนกับยอ้อมด้วยเลือดอะไรไม่ทราบพระองค์ทรงเห็นอาการไม่ดีของพระหนุ่มเนนน้อยทั้งหลายที่แสดงอาการสงสัยไม่เคารพท่านจึงรับสั่งทันทีว่านี่แหละคือพระอัญญากนทัญญาพี่ชายของเธอทั้งหลายซึ่งบรรลุธรรมก่อนใครๆทั้งหมดในบรรดาสาวกของเราตถาคตจงพากันจำพี่ชายของเธอทั้งหลายไว้แต่บัดนี้เป็นต้นไป พระอัญญาโกณทัญญะเธอเป็นพระอาหารหันต์แต่ต้นศาสนาของเราตถาคตและปฏิบัติตนเป็นสามีจีกรรมตลอดมาโดยชอบอยู่ในป่าในเขาเป็นประจำนิสัยไม่ชอบพลุกพล่านวุ่นวายด้วยฝูงชนบัดนี้สังขารของเธอชราภาพหมดทางเยียวยาเธอจึงออกจากป่ามาเฝ้าและลาเราตถาคตเพื่อเข้าสู่นิพพานในมิชานีสาวกที่ชอบอยู่ป่าอยู่เขา มีนิสัยดังพระัญญาณกวกนทัญญะลูกเราตาคาคตนี้หายากพวกเธอทั้งหลายจงจำไว้ว่าที่ไปจากเราตาาคตตะกี้นี้คือพระอัญญาโกนทัญะซึ่งเป็นลูกหัวปีของเราตาาคตและเป็นพี่ชายใหญ่ของเธอทั้งหลายนั่นเองมิใช่พระครัวตามาจากที่ไหนดังที่เธอทั้งหลายสงสัยกันพอพระพุทธเจ้าทรงชี้แจงเหตุผลของพระัญญากนทัญะให้ฟัง พระหนุ่มแน่นน้อยทั้งหลายเกิดความเสียใจเห็นโทษที่กล่าววาจาไม่สมควรต่อท่านต่อพระศาสดาโดยไม่ได้สำนึกอะไรก่อนและเกิดความเลื่อมใสในองค์ท่านพระอัญญาโกลทัญญะมากทั้งด้วยความเสียดายที่ท่านได้จากไปเสียก่อนที่จะรู้จักเรื่องท่านได้ดีจากพระศาสดาเรื่องที่ยกมากับเรื่องพระธุดง์ที่ท่านปฏิบัต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 เท่าที่ความสามารถอำนวยส่วนท่านที่ทั้งฝึกทรมานตนด้วยการอยู่ป่าอยู่เขาและทรมานตนด้วยวิธีผ่อนอาหารท่านก็ผ่อนของท่านไปเรื่อยๆคําว่าผ่อนนั้นคือท่านฉันแต่น้อยมิได้ฉันตามความต้องการของธาตุหรือด้วยอำนาจตัญหาที่อาจมีแทกขึ้นมาได้ในบางเวลา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 มันจะดีกว่ากลางวันอยู่เสมอส่วนผู้ชอบผ่อนอาหารก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าอดไปหลายวันความรู้สึกหิวโหวยอ่อนเพลียจะมีมากส่วนจิตมักละเอียดยิ่งกว่าการผ่อนอาหารอยู่มากทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญามีความคล่องแคล่วกว่ากันการอดท่านมักจะอดแต่น้อยไปหามากถือแรกก็อด เป็นการทดลองดูเพียงสองวันบ้าง 4-5 วันบ้างพอเห็นได้ว่าผลทางการภาวนาดีก็ขยับขึ้นไปอีกเป็นครั้งละ 6-7 วันบ้าง 8-9 วันบ้างในระหว่างที่กำลังอดก็ภาวนาไปและสังเกตจิตและธาตุขันไปด้วยถ้าเห็นว่าทุกส่วนยังดีก็อดไปบ้างชันบ้างสลับกันไปจนกลายเป็นอดครั้งละหลายวันขึ้นไปเรื่อย คือครั้งละ 14-15 ้าวันบ้าง 16-17 ถึงวันบ้างจนถึงเดือนก็มีในบางรายขณะที่กำลังอดอาหารนั้นถ้าทารู้สึกอ่อนเพลียมากท่านก็ฉันนมบ้างเป็นบางวันระหว่างที่อดสำหรับรายที่ถูกกับนิสัยย่อมได้ประโยชน์หลายอย่างคือความง่วงเหงาหานอนนับแต่สองคืนล่วงไปแล้วไม่ค่อยมี ยิ่งหลายคืนล่วงไปเท่าไรความง่วงไม่รบกวนเลยนั่งอยู่ที่ไหนกายก็เที่ยงตรงอยู่ตลอดเวลาเหมือนหัวต่อไม่มีอาการสับ ป, ปะงกงกงนันใดๆทั้งสิ้นสติดีไม่ค่อยเผลอนานวันไปเท่าไรสติยิ่งดีไม่ค่อยเผลอเลยจิตคิดเรื่องอะไรขึ้นมาสติรู้ทันแทบทุกระยะหรือทุกระยะโดยไม่ได้เข้มงวดกวดขัน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 จรนาเรื่องราวต่างๆก็รวดเร็วทันใจและเข้าใจจำแจ้งได้เร็วผิดธรรมดาร่างกายก็ไม่ค่อยขัดที่นั่นเจ็บปวดที่นี่และเบาผิดปกติจิตก็มักเห็นภัยได้ง่ายไม่ค่อยฝืนความจริงและดื้อดึงนักเหมือนที่เคยเป็นผู้อยู่ในขั้นสมาธิก็อยู่ด้วยความสงบในอิรยาบทต่างๆ ผู้อยู่ในขั้นปัญญาก็อยู่ด้วยการใคร่ครวญไตร่ตรองกรองเหตุกรองผลไปตามสิ่งที่มาสัมผัสชนิดต่างๆไม่มีประมาณจิตเพลินต่อการพิจารณาในธรรมะทั้งหลายหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าราวกับฉันอาหารอยู่โดยปกติถ้ารู้สึกเมื่อหิวอ่อนเพลียก็ต่อเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิหรือจิตพักจากการพิจารณาและเวลาออกเปลี่ยนอิริยาบถ จึงจะรู้สึกตอนนั้นเวลาจิตเข้าสมาธิและกำลังพิจารณาธรรมะทั้งหลายอยู่ไม่รู้สึกหิวหรืออ่อนเพลียเลยเนื่องจากจิตเพลินต่อสมาธิและปัญญาไม่สนใจกับาธาตุขันธ์เวทนาทางกายจึงเป็นเหมือนไม่มีในเวลานั้นพอถึงวันกำหนดจะฉันระหว่างจิตกับขันธ์เกิดทะเลาะไม่ลงรอยกัน ฝ่ายธาตุขันก็ว่าอ่อนเพลียต้องการอาหารเครื่องเยียวยาพอประทังชีวิตฝ่ายจิตก็ว่าขณะอดอาหารภาวนาดีจิตใจสงบผ่องใสไม่กังวลวุ่นวายกับสิ่งใดๆพอฉันแล้วภาวนาไม่ดีอิ่มแล้วคิดถึงแต่หมอนแทนที่จะคิดถึงอัตถะถึงธรรมะเหมือนเวลาอดจึงไม่อยากฉันรอเวลาฉันแล้วภาวนาไม่เป็นท่าแทนที่กายมีกาลังแล้วจะดี ระหว่างจิตกับขันทะเลาะ ก, กันอย่างนี้แหลเจ้าของต้องตัดสินให้อดบ้างอิ่มบ้างนั่นแหละดีจิตก็ได้ประโยชน์กายก็รู้จักอดทนเสียบ้างไม่ปรนปรือจนเกินไปซึ่งเป็นทางของสัตริรชานมีแต่กินกับนอนการอดมากก็ทนไม่ไหวกายต้องแตกการอิ่มมากก็ขี้เกียจวิ่งหาตะมอนแทนที่จะวิ่งหาอัฏะหาธรรมะ เหมือนเวลาอดการอดอาหารมีประโยชน์หลายอย่างดังนี้แหลเวลาที่กำลังอดเป็นเวลาที่เร่งความเพียรเต็มที่ในอริยบทต่างๆการหลับนอนมีน้อยหลับเงียบเดียวก็พอกับความต้องการของธาตุโดยไม่มีความงกง่วงอีกเลยสำหรับรายที่ถูกกับจริตทำให้เห็นทันตาทั้งด้านสมาธิและปัญญา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 ไม่เสวยพระกระยาหารด้วยทรงมุ่งความตรัสรู้ธรรมจากการทรงอดโดยถ่ายเดียวไม่ทรงบำเพ็ญเพียรทางใจจึงไม่ทรงปรากฏผลในเวลานั้นแต่พอมาเสวยข้าวมัทุปายาที่นางสุชาดานําไปถวายแล้วในคืนวันนั้นเองซึ่งแม้เสวยแล้วก็ตามแต่พระอาการทุกส่วนแห่งพระกายยังผ่องใสและเบาวิวอยู่พอทรงเจริญอาณาปณาะสติ อันเป็นความเพียรทางใจจึงทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้ในราตรีวันนั้นผลทางพระกายที่เกี่ยวกับการทรงอดพระกระยาหารจึงเข้าใจว่ามีส่วนช่วยทางพระไทยอยู่บ้างไม่ทับใจจนเกินไปในเวลานั้นแม้พระองค์จะทรงตำหนิว่าการอดอาหารมิใช่ทางตรัสรู้นั้นคงมิได้หมายการอดเพื่อความเพียรทางใจด้วยน่าจะหมายการอด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 จะแสดงให้ใจที่อบรมมาด้วยดีแล้วรู้ทันทีว่าขันกำเริบถ้ามีกิเลสอยู่ในใจด้วยแล้วก็ต้องชุดลาดกันไปใหญ่ดีไม่ดีตามไม่ทันเสียด้วยและพากันจมปลักไปเลยจนโผล่ขึ้นจากปลักในเวลาพอตัวแล้วจึงจะทราบถ้าสังเกตแต่ถ้าไม่สังเกตก็ไม่มีทางทราบได้ตลอดไปลอยให้กิเลสและธาตุขันพาไปแบบถึงไหนถึงนั่นแหละ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 ภิกษุที่อดอาหารเพื่อการอวดโลกเป็นอาบัติทุกครั้งที่อดและทุกประโยคที่เคลื่อนไหวเพื่อการโอ้อวดแต่ถ้าอดเพื่อความเพียรทางใจแล้วอดเถิดเราตถาคตอนุญาตดังนี้ทั้งนี้พระองค์อาจทรงมองเห็นสาระของการอดเพื่อความเพียรทางใจอยู่บ้างจึงอาจเหมาะกับจริตเป็นบางรายจึงทรงอนุญาตไม่ทรงห้ามไปเสียทีเดียว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 เวลาอดอาหารแล้วภาวนาดีกว่าไม่อดจึงต้องอดบ่อยๆซึ่งเป็นความสมัครใจของแต่ละท่านไม่ได้มีการบังคับขู่เค้นแต่อย่างใดพระฝรั่งก็อดอาหารเก่งเหมือนพระไทยและอดได้ทีละห ล, ะหลายๆวันจึงชันเสี้ยววันสองวันแล้วก็อดต่อไปอีกบางองค์อดได้ถึง 14-15 ถึงวันก็มีนับว่าท่านอดทนอยู่มาก บางองค์ก็อดได้ราวเก้าถึงสิบวันท่านอดได้เช่นเดียวกับพระไทยเราท่านบอกว่าขณะอดอาหารจิตไม่ค่อยดิ้นรนกวาดแกงบังคับง่ายกว่าปกติที่ไม่ได้อดทั้งจิตก็สงบเย็นดีและสม่ำเสมอไม่วอกแวกคลอนแคลนอย่างง่ายดายจึงทําให้อยากอดบ่อยๆเพื่อจิตจะได้ก้าวหน้าเร็วเท่าที่ควรดังนี้ จึงน่าสงสารและอนุโมทนากับท่านที่อุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาบวชในพระพุทธศาสนามาจำศีลภาวนาด้วยความอดอยากกันดานข้าวปลาอาหารก็ไม่ค่อยได้ฉันทั้งจากบ้านจากเมืองจากบิดามารดาวงศาคณาญาติเป็นเวลานานปีไม่ค่อยบ่นว่าคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองคิดถึงหมู่เพื่อนญาติวงพงพันที่เคยอยู่อาศัยใกล้ชิดสนิทสนมมาแต่ก่อนเลย นับว่าท่านบวชมาเพื่อสแสวงหาธรรมะความเจริญจริงๆสมเป็นชาติที่ฉลาดมาดั้งเดิมไม่เคยแสดงความเย่อหยิงถือตัวให้ปรากฏเลยมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนทุกอาการที่น่าเลื่อมใสการวางตนกับพระเนเนในวัดท่านปฏิบัติได้ดีพระฝรั่งที่อยู่ในวัดนั้นแทบทุกองค์ชอบอดอาหารกันโดยไม่ได้ชักชวนเห็นหมู่เพื่อนอด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 องละสี่ถึงห้าวันบ้างเจถึง8วันบ้าง1 1บถึงวันบ้างครึ่งเดือนบ้างค่อนเดือนบ้างจนออกพรรษาทั้งพระไทยพระเทศอดเหมือนกันและได้องค์ละหลายวันเหมือนกันที่วัดนั้นในพรรษาเจวันประชุมธรรมกัน ห, หนึ่งตลอดไปจนออกพรรษาเพื่อเป็นการส่งเสริมความเพียรทางใจให้ก้าวหน้าตามโอกาสอานวย ออกพรรษาแล้วงานยุ่งมากเกี่ยวกับประชาชนไปมาหาสู่เพื่ออัถะเพื่อธรรมะศีลทานการกุศลต่างๆซึ่งเป็นนิสัยของคนไทยชาวพุทธเคยปฏิบัติกันมาแต่ปู่ย่าตายายและถือเป็นจิตใจของชาวพุทธตลอดมาจึงน่าอนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งรอกิจประเภทนี้นอกจากจะเป็นกุศลผลบุญแก่ผู้บำเพ็ญแล้วยังเป็นการวางรากฐานอันดี แกอนุชนรุ่นหลังได้เจริญรอยตามด้วย